มิฉาวายามะพระพุทธภาสิตณนักจริยานะชดาณปังกานานาสกาตันดิลสายิกาวาละโชชลังอุ ก, กุติกับปทานังโซเทนติมะจังอวิติ น, นะกังขั่งแปลความว่าการประพฤติเปลือยกายการกล่าวชดาการนอนบนเปืกตมการอดอาหารการนอนบนแผ่นดิน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 เข้าใจว่าที่ตนประพฤติอยู่นั่นแหละเป็นทางนาไปสู่ความบริสุทธิ์แต่ตราบใดที่ใจเขายังหมักมงอยู่ที่ความโลภความอยากได้ความปริศยาตราบนั้นความเป็นสมณะของพวกเขาก็ไม่มีประโยชน์อันใดเป็นเพียงเครื่องมือหากินเพราะถูกนาด้วยความอยากและนำไปสู่ความอยากนักพรตพวกนี้ใจยังติดแน่นอยู่ในลาบสการะแต่ทำตนประหนึ่งว่าไม่ต้องการอะไรหลอกลวงปวงชนให้หลงผิด สิ่งที่เขาทำอยู่นั้นไม่ทำให้เขาบริสุทธิ์ได้เลยครสเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธและทรงตหนสว่าไม่เป็นทางทำให้กิเลสสงบระงับได้ทรงถือเป็นทางสายตึงเกินไปที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคเป็นการทรมานตนที่แรงเกินไปจนกลายเป็นการเบียดเบียนตนเองโดยไร้ประโยชน์ไม่เป็นทางนำไปสู่ความพ้นทุกข์โดยชอบมีแต่จะทำตนให้ทุกข์มากขึ้นเพิ่มทุกข์ให้แก่ตนซึ่งทุกข์อยู่โดยธรรมชาติแล้ว ธรรมบทฉบับของด็ตรเอสราชาคริสตนปราชาอินเดียได้เล่าเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับนักพรตสกปรกพวกนี้ว่าคราวหนึ่งพวกนักบวชเปลยได้รับเชิญกินเลี้ยงที่บ้านลูกสาวคนหนึ่งของท่านอนาถปินดิกะเศรษฐีนางได้เรียกลูกสะ้ายชื่อสุมาคาธาให้ไปไหว้นักบวชเปลยนั้นบอกว่าถ้าเหล่านั้นล้วนเป็นอรหรันต์ เป็นอัญชลีกรณียบุคคลสุมาคาถาเข้าใจว่าเป็นพระเช่นพระสารีบุตรหรือโมกัลานะหรือสาวกอืนอ่นๆของพระพุทธเจ้าจึงรีบไปด้วยความยินดีแต่ไม่ได้เห็นนักบวชเปยืยเหล่านั้นซึ่งมีผมยาวแข็งเหมือนปีกนกยูงดูด้านเปลือกไปด้วฝุ่นสกปรกคล้ายอสุรกายนางจึงร้องไห้รีบกลับเมื่อแม่ผัวถามว่าทำไมจึงร้องไห้นางตอบว่าโอมาดา ถ้าคนพวกนี้เป็นอรหันต์แล้วก็คนที่เลวกว่านี้จะเป็นเช่นไรด็เอรเอสราธาคริสนานอ้างข้อความนี้ว่ามาจากอามะคันทสูตรและธรรมบทของแม็กซ์มุลเลอร์ในอัตถถาธร ร, รรมบทภาคสามได้เล่าเรื่องพ่อผัวของนางวิสาขาเชิญนักบวชเปลืยมาฉันที่บ้านและให้นางวิสาขาไปไหว้บอกว่าเป็นอรหันต์เมื่อวิสาขามาเห็นเป็นพวกเปลยก็กระดาก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 ย่อมไม่อาจพ้นทุกได้บุคคลบางประเภทชุ่มอยู่ด้วยกามทั้งกายและใจไม่อาจตรัสรู้ได้บุคคลบางพวกออกหากจากกามทั้งกายและใจคนประเภทนี้แหละสามารถตรัสรูท้ทําได้โดยเร็วเพระเาะที่เจ้าทรงสแสดงธรรมเป็นมัชชิมาปฏิปทาไม่ล่องแวะด้วยกา ม, มาสุขาลิกานุโยคคือสายหย่อนเกินและอัตตกิรมถานุโยคคือสายตึงเกินมัชชิมาปฏิบัติมุ่งตรงไปสู่พระนิพพาน พระพุทธพาสิเรื่องนี้พระาศาสดาตรัสปรารภพระผู้มีของมากพระหูกพันธิกะขณะประทับอยู่ที่เชจวนารามเมืองสาวัตถีมีเรื่องย่อดังนี้ความว่ า, วากุดมพีผู้มีอัญจะกินคนหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีเมื่อพัญญาธรรมกาละคือตายแล้วก็ออกบวชก่อนบวชให้สร้างบริเวณเรือนไฟและห้องเก็บของส่วนตัวบรรจุ ข, ของเป็นจานวนมากเช่นเนยใสยเนยข้น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 ท่านบวชในศาสนาของพระทศพลผู้มีความปรารถนาน้อยอย่างยิ่งฉนัยท่านจึงสะสมบริขารไว้มากเหลือเกินพิกษุทั้งหลายพาภิกษุผู้มีบริขารมากนั้นไปเฝ้าพระศ า, ศาสดากราบพูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบอย่างนั้นหรือพิกษุตรัสถามอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพิกษุนั้นทูลรับโอภิกษุเธอทําตรงกันข้ามกับโอวาทของเราเสียแล้วเราเป็นผู้มีความปรารถนาน้อย แสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้ปรารถนาน้อยแต่เธอกลับเป็นผู้ปรารถนามากมีบริขารมากเธอทำไม่ถูกเลยเพียงเท่านี้ภิกษุนั้นโกรธต้องการประชดจึงเกลื่องจีวรทิ้ทงเหลือเพียงสบงผืนเดียวยืนอยู่ท่ามกลางบริษัทสี่ลำดับนั้นพระศาสดามุ่งอุปถรัรมภิกษุนั้นจึงตรัสเตือนว่าดูก่อนภิกษุเมื่อก่อนนี้เธอเป็นผีเสื้อนาถึงกระนั้น เธอยังเที่ยวสแสวงหาฮิริโอตปะอยู่ถึงสิบสองปีในรูปแห่งเทวธรรมมาบัดนี้เธอบวชในศาสนาของตถาคตผู้มีฮิริโอตปาทําไมเธอจึงละทิ้งฮิริโอตปาสี่เล่าพิสูจนั้นกรับได้ฮิริโอตปาหยิบกีวรขึ้นหม่มถวายบังคมพระาศาสดาแล้วนั่งอยู่ในที่อันโคลนแก่ตนพิสูจน์ทั้งหลายทูลถามพระผู้มีพระภาคเพื่อให้ทรงประกาศความข้อนั้นพระตถาคตจึงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเต้าดังต่อไปนี้ ปุปกรรมของพิษุนั้นในอดีตการพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระคันแห่งพระอัครมเหสีของพระเจ้าพระราณสีมีพระนามว่ามิหิตซาสกุมารพระอนุชาพระนามว่าจันทกุมารต่อมาพระราชมารดาที่วงคดพระราชาจึงสถาปนาสตรีอีกนางหนึ่งขึ้นในตำแหน่งอัครมเหสีนางประสูติพระโอรสนามว่าสุริยกุมาร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 จึงค่อยมารับราชาสมบัติพระราชโอรสทั้ง ส, งสองทรงตั้งอยู่ในพระโอวาทจึงเสด็จออกจากพระราชวังที่ประทับขณะนั้นสุริยากุมารทรงเล่นอยู่ที่พระลานหลวงทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าพี่ยาเธอทั้งสองทรงทราบความแล้วเสด็จร่วมไปด้วยเมื่อเสด็จถึงหิมมวันตประเทศพระโพธิสัตว์มิหิษสาสากุมารหยุดนั่งภักใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งขอให้สุริยากุมาร น้องสุดทองไปเอาน้ําในสะใกล้ๆมาให้ดื่มวิธีนํำน้ํามาก็คือหักใบบัวแล้วเอาน้ําใส่มาขอให้สุริยะกุมารดื่มและอาบตามต้องการเสียก่อนแล้วนํามาให้พี่ทั้งสองภายหลังสุริยะกุมารทําตามนั้นสะนั้นมีผีเสื้อน้ํารักษาเขาได้พรจากท้าเวสวุวรรณว่าให้จับคนที่ลงสะกินได้ยกเว้นคนที่รู้เทวธรรมสุริยะกุมารลงสู่สะถูกผีเสื้อจับได้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 ทรงเห็นรองเท้าแห่งพระอนุชาทั้งสองแล้วทราบว่าสรนี้มียักษ์รักษาจึงสอดพระขันถือธนูยืนอยู่ผีเสื้อยักษ์เห็นพระโพธิสัตว์ไม่ลงสร์จึงแปลงเพศเป็นชายชาป่าเดินมาทักถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านเดินทางเหน็ดเหนอยอ่อนเพลียฉนัยจึงไม่ลงสระดื่มและอาบตามปรารถนาเคี้ยวกินเง้าวัวประดับดอกไม้เล่าพระโพธิสัตว์พอเห็นชายผู้นั้นเท่านั้นก็รู้ทันทีว่าเป็นยักษ์จึงถามว่า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 ฮิริโอตตปะสัมปนาสุกะธรรมะสมาหิตาสั่นโตสัปปุริซาโลเกเดวะธรรมาติอุจเรบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยฮิริโอตตปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมขาวกุศลธรรมเป็นผู้สงบเป็นสัตว์บรุษในโลกนั่นแหละท่านเรียกว่าผู้มีเทวธรรมกล่าวโดยย่อฮิริโอตตปะนั่นแหละคือเทวธรรมหรือธรรมของผู้เป็นเทพยากฟังแล้วเลื่อมใส กล่าวว่าท่านเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้เทวธรรมข้าพเจ้าจะให้น้องชายของท่านคนหนึ่งท่านต้องการคนใดข้าพเจ้าต้องการน้องชายคนแดกก่อนพระโพธิสัตว์กล่าวยาขรุระพรางกล่าวว่าท่านรู้เทวธรรมอย่างเดียวเท่านั้นหาปฏิบัติเทวธรรมไม่เพราะเหตุใรท่านจึงว่าฉันอย่างนั้นเพราะท่านให้นําน้องชายคนเล็กมาชื่อว่าไม่ได้ประพฤติอปะจายิกกรรมความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้เจริญต่อผู้มีอายุสูงกว่า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 ตำแหน่งเสนาบดีแก่สุริยกุมารโกรธให้สร้างที่อยู่อันเป็นโรมณียสถานแก่ยักษ์ทำให้เป็นผู้ถึงความเลิศด้วยลาบคือมีลาบมากการที่ยักษ์มีลาบมากนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ง่ายเพราะอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระราชายกย่องแล้วใครๆก็พลอยยกย่องตามพระาศาสราตรัตประชุมชาดกว่าจันทกุมารในครั้งนั้นมาเป็นพระสารีบุตรสุริยกุมารเป็นพระอาณนนุนราชสด คือยักษ์เป็นภิกษุผู้มีของมากส่วนมหิสารสกุมารคือเราตถาคตนี้เองพระทศพตลตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุในการก่อนเธอเป็นผู้สแสวงหาเทวธรรมสมบูรณ์ด้วยหิริโอตปะแล้วฉนัยบัดนี้เธอจึงยืนเปลือยกายถ้มกลางบริษัทเล่าแม้เธอจะกล่าวว่าเพื่อความปรารถนาน้อยก็หาถูกต้องไม่เธอทากรรมไม่สมควรเพราะว่า